จะไปพูดกับเขาด้วยเนื้อหาด้วยจุดมุ่งหมายอย่างนั้นอย่างนี้นด้ดีขอให้มันสมองของเขาตรงทำงานอย่างคล่องตัวอย่างกระฉับกระเฉงอย่างแจ่มชัด ให้ดวงความคิดของเขาจงปลอดโปร่งใสกระจ่างมองเห็นประโยชน์เกื้อกูลอันนั้นอย่างลึกซึ้งได้ภักศนกติที่ดีต่อกันอย่างกระจ่างชัดและด้วยภูมิปัญญา ะบุขอให้เ็ามีดวงตาที่เป็นประกายเจนบใจ สิ่งใดที่เขาพริงปฏิเสธขอขอให้เขาปฏิเสธอยืองกัตยบบรุษด้วยเหตุผลด้วยสำนึกที่ดีเห็นนั้นทิ่หนึ่ง อย่างที่ควรจะ ไปพูดด้วยและเป็นประโยชน์ื่อกูลต่อเราผู้พูดขอให้ค่อยคำการพูดนั้น และพักนำประโยชน์ที่สมควรโดยทำให้เกิดขึ้นแก่เราด้วยและจงเป็นวาจาที่เป็นที่ยังกุศลกิจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังผู้สนทนา ได้เป็นนันมากและด้วยเวลานานๆคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเมื่อจะสอนด้วยเมตตาอย่างเช่นที่กระทำด้วยสมาธิก็ทำได้โดยในนี้ พ่อแม่ที่จะสอนลกูกหรือการเจรจาประสานผลประโยชน์อย่างถาวรที่ท่านจะได้ทั้งผลประโยชน์และได้ทั้งเพื่อนและท่านจะได้ทั้งการอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยก็จากการกระทำอย่างนี้ทาให้ได้ ท่านฟังเรื่องอาการของผู้ที่มีเมตตาควบคุมการฟังควบคุมจิตที่ฟังทําให้การฟังของท่านนั้นเป็นประโยชน์ต่อท่านและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่พูดกับท่าน ที่ว่าผู้ที่ฟังโดยอาการของบัณฑิตหรือผู้ที่รู้จักฟังรู้จักนิ่งฟังเป็นความน่ารักอย่างหนั้นเป็นสเสน่ห์อย่างหนั้นเพียงแค่อาการเท่านั้นแต่เมื่อผู้ฟังแผ่เมตตาให้ก็จะทำให้การพูดของผู้นั้น ได้รับประโยชน์เพื่อกูลหรือได้รับการควบคุมด้วยความปรารถนาดีไม่ให้เพียงพ้าไปในทางโทษแก่ผู้พูดหรือแก่คนอื่นหรือแก่เรา นแก่ผู้อื่นเมื่อเขาเห็นเรามองหน้าเราหรือสบตาเราหรือเราตกตาเขาหรือศกตากันนี่ยให้แผ่เมตตา <c oughs> จับลงไปบนใบหน้าของเา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 ให้เรารู้สึกว่าเรากำลังรับผิดชอบตัวเองที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนใจหรือกเกิดอัุวเส้นระดิจในๆขึ้นเพียงเพราะการแค่เห็นหน้าของเราเท่านั้นกล่าวคือ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 หรือเห็นรูปของเราแล้วเห็นหน้าของเราแล้วซึ่งเป็นจุดเห็นที่สำคัญแล้วเกิดความรู้สึ ก, สกหดหดเกิดความรู้สึกเศ้าโศกโทมนัสเสียใจหรือเกิดความรู้สึกคลั b าแค็งใจหรือเกิดความรู้สึกที่เป็นอกุศลใดๆที่อาศัยหน้าของเราเป็นส ม, มุติฐานก็นับว่า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 จะให้เป็นที่ชื่นชมของตัวเองเดื่อำนาจของความยึดถือเดื่องำนาจของความหมโหเมาและเพื่อให้ผู้อื่เนเกิดความรู้สึกกำนัยินดีโดยจิตที่ไม่บริสุทธิ์องสันั้นนะเป็นข้อที่ เรารู้จักใส่ใจกันอยู่ในข้อนั้นเป็นประโยชน์น้อยแต่ถ้าหากว่าเราแผ่เมตตาทำความปรารถนาไว้อย่างนี้ก็จะทำให้เรา รับผิดชอบว่าการเผชิญหน้ากับผู้อื่นนั้นไม่ควรจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเศร้าหมองเกิดความรู้สึกเดือดร้อนใจเดือดความรู้สึกใดๆที่มันเกิดจากความไม่รับผิดชอบของตัวเราเอง เมื่อเราแผ่เมตตาโดยตั้งจิตไว้ที่หน้าของเราโยงไปถึงผู้อื่นก็มีผลสะท้อนของการแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นนั่นเองเหมือนบุคคล ในที่ใดรู้จักระวังมือระวังทาาก็คือคนที่ระวังผู้อื่นก็คือคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นก็คือคนที่รับผิดชอบผู้อื่นซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีผลตอบกลับในทางที่ดีอย่างแน่นอน ให้ ส, งส่งจิแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าสิ่งใดที่เป็นริ้วรอยของความชั่วร้ายสิ่งที่เป็นร่องรอยของสํามเลวฝ่ายตับที่เราอาจจะสะสมจนฝัง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 ยิ้มอยู่อยา่างปกติคนที่มาเห็นนั้นก็มีความรู้สึกไม่ต้องตาหรือไม่สบายใจใบหน้าของเราที่เราส่องกระจกหรือเราใช้กับ ประกอบการแสดงออกเมื่อพบปะผู้คนถ้าเราแสดงออกด้วยความรู้สึกอันใดเป็นหลักยังต่อเนื่องยาวนาะนมันจะฝังเป็นร่องรอยจนมีผลต่อทัศนคติและความรู้สึกของคนผู้พบเห็นได้ เราจะรู้รหรือไม่รู้ให้มันสนลายหายันหายไปจากดวงหน้าจากแววตาของเราสง่งจิตปฏิเสธ ามงคสิ่งที่ไม่เป็นศิลิให้พ้นไปจากดวงหน้าของเราสิ่งใดที่เมื่อบุคคลเห็นหน้าของเราแล้วเข้าเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดความร้า ให้สิ่งนั้นจงสูญสลายหายไปจงสูญสลายหายไปให้ทำอาการเหมือนว่าคนที่กำลังจะแต่งหน้าจะต้องทำความสาใบหน้าให้หมดจดเสียก่อน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 จะเป็นการเสริมศิทิ์อันรับเรื่องโดยกุศลธรรมนี้ให้เกิดขึ้นและความปรารถนาดีอย่างนี้เมื่อทำบ่อยๆ <c oughs> ก็จะลบล้างรอยบากแห่งอุปนิสัยที่สั่งสมไว้และสิ่งแฝงอยู่ในหน้าของเราได้ น, นั้นเป็นคนมีลักษณะหน้าทอดสีอยู่เป็นนิดบางคนทั้งใบหน้าและแววตาอมเศร้าบางคนอมทุกข์กบางคนเป็นแววตาและดวงหน้าที่ชวนมันใส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 เรียวร้ายได้บางคนก็ให้เกิดความรู้สึกที่ดร้นอซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดกุศลเกิดสกุลสลตวิขึ้นในรูปใดรูปหนึ่งสำหรับคนที่ มีเมตตาจิตไม่ดีพอหรือมีกุศลจิตไม่แข็งแกร่งพอก็จะเกิดความรู้สึกตอบรับอย่างนี้ถ้าหากว่า ร, ารู้ว่าสตากรรมและสะตาจิเลสที่ปรากฏบนใบหน้าของเราเป็นอย่างไรก็ให้แผ่เมตตาสลายไปจลายออก ทำบ่อยๆและเมื่อเราจะไปพบคนที่เป็นคนโทษะเด็กหรือเป็นคนที่ลังคาเราก็จะต้องแพร่จิดในลักษณะสีสลายสิ่งที่อาจจะเป็นเชื้อ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 นั้นให้แผ่เมตตาทำความปรารถนาที่ต้องการให้ผู้อื่นเขาเกิดความรู้สึกดีดีใส่ลงไปขอให้นึกเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องครังเรื่องเวทมนต์คาถ า, า, า, าเพื่อเอาลักเอาเปรียบผู้อื่น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 รอยู่ว่าเราก็พอจะเชื่อถือได้แต่น้ำหนักมันอาจจะน้อยก็ดีหรือว่าสิ่งที่เราไปพบภารกิจที่เราไปเจรจาพบปะเนี่ยแต่พอตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้นำเอาสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ไปพูดกับเขาเราก็หมายใจความเชื่อถือปักลงไปตรงนั้นแล้วก็ขอให้ดวงหน้าของเรา ที่ผู้นั้นได้เห็นเนี่ยจงเกิดความรู้สึกเชื่อถือขึ้นตั้งแต่การเห็นก็ว่าคนจะเกิดความเชื่อถือเนี่ยไม่ใช่เชื่อโดยคาพูดเท่านั้นเขาจะาาอาศัยองค์ประกอบตั้งแต่การเห็นการแสดงออกหรือแม้แต่ลักษณะยืนพื้นบนใบหน้าของเราที่เรียกว่าเป็นบุคลิก คือาการปรากฏการทางใบหน้าหรือจะเรียกว่านอนละลักษ์ที่ปรากฏเป็นบุคลีกลราซึ่งมันเป็น